รู้ทีมันไม่ได้วันเฮ้ไปไม่รอดอะไรหรอเท่านั้นเองไปไม่รกดก็อยู่ทีก็ชนะไปทีเนี่ยผู้รอดก็จะรอดผู้ไปผู้ไปรอดก็จะไปเพราะว่าจะถ้าว่าไปนะแต่แล้วมันก็ไม่สนัดใจที่ว่าจะไปเป็นอย่างนี้ว่าจะไปจะดีจะมาจะ ด, จะดีจะอยู่ก็ดีมันไม่ถูกทั้งนั้นแหละธรรมชาตินั้นมันจะสมมติเวลานเราแยกมาพูดทีมันก็ต้องสมมติมาพูด แล้วกับผู้ที่ฟังก็ต้องไม่พ้นที่จะคาดไปตามจนได้เนี่ยหือะเป็นเป็นง่ายๆดูอันนี้ดูเฉยๆม่ในเรื่องอะไรนะไม่ไหนพูดเดยะอะไรที่เฉยมันอะไรมำไงบัวจะเป็นกระลุกกรับระลุกะลั่วอ่อนเ้ไปอ่อนเาไปนี่งที่เดินอยู่ก็มีนะผมเดินไปนี้ก็เต็้นเองหมดเเมื่อวานสินีก็เดินกระตุ้น หยุดซะก่อนมันไปตายได้ทุกอย่างนีะแต่แล้วว่ามันมันหมุนมาหยุดมันเติมมาหยู่มันมันก็ลงตรงนั้นเองนั่งปุ๊บลงปรงนั้นแล้วก็ลงนั่นลไม่ใช่ว่าเราไม่ได้สติสตังมันจะล้มตัวตามไปนั่นถ้าเป็นอย่างที่เอาเรียกเป็นเรื่องวิญญาณเป็นอีกอย่างมันพุบเข้ทันทีปฏิบัติต่อไม่ทัน ใจจะรู้ก็รู้เป็นไรใรจได้มีกําลังที่จะยกยอที่จะต้าทานมันได้มันก็ต้องล่มแต่ความรุ่มก็รู้อยู่นั้นนี่ไม่ไเคยยี่งตกวิ่งจาเนเรื่องความเป็นความตายเจ้าของมันเป็นหมดมันเป็นเพาะจึงใครมายุ่งเราไม่ได้หมอจะมารุมเราใครจะมารุมเราไม่ได้เราไม่ให้รุมมันไม่ สนิทกับอัยาศัยของเราเลยมันทําลายอัจฉรยะใสคุณลายความจริงของเราที่เราปฏิบัติอยู่ดูมันทุกระยะระยะเราดูเราเองเราเป็นหมอเราเองนี่ว่างเลถึงขั้นนี้แล้วต้องเป็นหมอตัวเองเลยเรื่องอยู่เรื่อ ง, รรง ย, ย้ายไม่เรื่องแล้วยุ่งกับมันทํำไมอ่ดูระยะวาระสุดท้ายดูมัน ถ้า จ, จากจะแยกกันให้ดูเพราะเรียนก็เรียนมาแล้วปฏิบัติก็ปฏิบัติมาแล้วแล้วรู้ก็รู้มาแล้วแล้วความเป็นนี้จะหนีจากความรู้มาแล้วได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นตามสิ่งที่รู้แล้วเท่านั้นพราะพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นของจริงผู้ปฏิบัติแล้วต้องเห็นของจริงตาม้นถ้าปฏิบัติตามหลักพระพุทธเจ้าทุกสองสอนจริง<อ>ที่ธรรมะและธรรมะปฏิบัตินอ์จะไม่นองเหนือไปจากนี่เลยผลที่จะผลได้โลกวันกันมากทั่วโลกดินแดนเนีน่แ เรื่องความตายโ้เรื่องความทุกข์ความความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตสําหรับโลกทั่วไปแต่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านที่เป็นธรรมกติธรรมดาธรรมดาธรรมดาไม่มีวันอะไรเลยเพราะเรื่องโรคเรื่องภัยจะขึ้นมากน้อยเป็นในลักษณะใดท่านไม่หวั่นแต่เรื่องของร่างกายมันจะเป็นยังไงนั้นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งของมันใจเป็นอันหนึ่งอยี๋ยคิดให้ หวังทางบ้านจิตใจท่านไม่มีท่านจะความหวังมาจากไหนรู้รอบหมดแล้วปล่อยหมดแล้วเรื่องอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในฐานเนี่ยขันแม่แต่ในจิตท่านก็ไม่มีแล้วคําว่าอุปทานอุปทานถ้าถือจิตจิตก็ต้องมีอะไรอยู่นั้นเอมันถึงถือความถือเป็นความดีเมื่อไหร่มันหนักมันได้รอบมันก็ถือเมื่อรอบแล้วปล่อยเองไม่เคยปล่อยประทางเมื่อรู้แล้วต้องปล่อยเหมือนกันหมด บัตรจริงดิ พ, พามมาระพุทํามาบริพุทธเจ้านิการเหมือนอยู่หน้าสินค้าหน้าร้านเขาที่หน้าร้านเขาเนี่ยมีทุกประเภทให้ชมดูเอาอยากได้หาเงินมาซื้อเงินมีเท่าไหร่ไม่อั้นสินค้าที่จะสนองความต้องการของลูกค้านั้นมีอยู่ทุกประเภทของสินค้าจ่เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านไปซื้อก็ได้ราคางแพงๆมี ของดีราคาแพงแพงมีทำพระริจ้าจึงเป็นตลาดทำตลาดแห่งความดีตลาดแห่งความฉลาดตลาดแห่งมรรคผล น, นิพานเออจะเอาอย่างไหนก็ได้ตั้งเริ่มตั้งแต่ทานบา ร, รมีเอาทานการให้ทานเนี่ยก็เป็นสินค้าประเภทหนึ่งอย่างถ้าเราจะเทียบสินค้านะศีนะฮประเภทไหนสีนประเภทไหนทานประเภทไหน เ, เป็นสินค้าแต่ละอย่างภาวนาทานสีนภาวนาภาวนาประเภทไหนเอาเรื่อยเข้าไปสิ จนม า, างสมาธิภาวนาอั ป, ปนาภาวนาเตือนวิปัสนาวิปัสนาอ่อนๆจนม า, าถึงมหาเศรษฐมหาปัญญาวิปัส น, า น, น า, านี้วิปัสนาญาณอย่างสร้างเข้าไปสร้างเข้าไปสร้างเข้าไปแล้วจ ะ, จะถึงไหนถ้าไม่ถึงว่าผลนิพพานจะถึงไหน น, น, นั่นละ่ะอ่ะที่ สินค้าที่ว่าสุดยอดอยู่ตรงนั้นท้าทายอยู่ตลอดเวลาท่านจะว่าท้าทายก็เีเอหิปติโก น, น, นีทางพญายท่านแปลว่าอลองเรียกคน อ, นอื่นมาดูได้ถ้าทำของจริงแต่ทางด้านพิบัติเราไม่ได้สนิทใจยอย่างนั้นสนิทใจว่าเฮีิก็หมายถึงตัวของเราเราสอนเราเนะฮียก็ขึ้นตะวันละที่ท่านตรงมาดูที่นี่เนี่ยน้อมใจเข้ามาอยู่ที่นี่สู่ที่นี่ยาทรง ไปทะเลถลายเรื่องบ้าเรื่องบอเรื่องสมุทัทยมันล่าไปทางลูกทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสถูกต้องต่างๆแล้วกว้านเราเป็นธรรมารมเข้ามาผูกมัดหัวใจให้มาคลุ่นคิดวุ่นวายภายในา จ, จิตใจเพราะฉะนั้นเอหิตรงฉุดกระชากจิตเข้ามาอย่าให้จิตส่งไปข้างนอกให้เข้ามาดูตรงนี้ว่างั้ น, นะความหมายทางด้านปฏิบัตินี่เอหิน้อมเข้ามาเอหิแลปลว่าแลว่าจงหมาเข้าหมายถึงว่าน้อมเอา จิตเข้ามาหรือว่าล้างจิตเข้ามาฉุดกระแทกจิตที่มัน เ, นเลิเล่อนเลิกเพลิสติไปด้วยความเพลินราคะตัณหาให้เข้ามาด้วยสติด้วยปัญญ า, าตถาความเพรียงให้เข้ามาดูธรรมของกริงของกริงอยู่ที่นี่ทุกขังอันเนี้ยสัจจังจริงอยู่ที่นี่สมุทยัยอันยสัจจังจริงอยู่ที่นี่นี่รสอันเนี้ยสัจจังก็อยู่ที่นี่มากอะไรสัจจังคือสติปัญญาเป็นสําคัญก็อยู่ที่นี่ให้ดูที่นี่เอหิเอหิจงน้องเข้ามาที่นี่น่เนี่ยจริงเหล่านี้ท้าไทยตลอดเวลา ชาติปีตูปุขาชาลาปีดูขามานำปีดูขังท้าทาทยตลอดเวลานั่นที่รกรสังกระสาตตะายพินานินีเสื้อยที่ด่างกาเมตนาภาวัตนาวิภาวัตนาท้าทายอยู่ den, พันอจิจานี้ตลอดเวลาให้ดูตรงนี้ธรรมาริตสัมมาสังโปแกงกินไม่ได้นะฮะท่าไม่ได้สอนให้เอาสัมมาสิฏิสมาสังกัปโตโปเป็นต้นมาไว้สําหรับแกงกินเอามาไว้พิจารณาข่ากิเลสฟันกิเลสพิจารณาเข้ามาตรงนี้ ให้น้องเข้ามานี่แหละเอเฮียปฏิโกภาพปฏิบัติให้มันเห็นประจากตัวเองเองเอเฮียปฏิโกรเรียกคนอื่นเข้ามาดูได้เพราะตามงงจริเดียวเขาหาว่าบ้านี่ยกตัวอยา่างหนึ่งเราก็พูดตามเรื่องของท่านเผ็ดเราไมา่ได้ยกโทษท่านนะเนี่ยพูดถึงเรื่องเนี่ยท่านจางสินท่านเคยตั้งแต่ท่านบวชอยู่ใหม่ยนู่นท่านไปแค่ามาเดียวขึ้นสมองอที่อ่ามพวยอำเภอนาแก่ นี่เวลาทําำมารียขึ้นสมองแล้วก็ทําธรรมดาขึ้นสมองจะไมให้คนเป็นบ้าได้ยงไงก็ต้องเป็นบ้าแล้วแต่ จ, จิตใจงท่านผูกพันในธรรมมากนี่เพราะงั้นแม้กิริยาการจะเป็นบ้าอะไรท่านก็ไม่ไหนีจากธรรมความมุ่งมั่นก็อยู่ที่นั่นความใส่ใจก็อยู่ที่นั่นทั้งยาลมก็อยู่กับธรรมเพราะงั้นแม้จะเผลอสติอะไรท่านก็ต้องมุ่งประทางธรรมจิตใจส่วนใหญ่เหมือประทางหลักธรรมถ้าว่า จ, จิตใจท่านเองประทางโลกนี้จะต้องแสดงเรื่องโลกมาอย่างขายหน้าบอกไม่ถูกเลย แต่นี้จิตใจท่านเหนียวแน่นทางในธรรมะท่านเพงบอกว่าท่านสําเร็จแล้วท่านบอกนะเราสําเร็จแล้วไปวินทบารก็ถามประวัติว่าใครตามข้าวอยู่ที่ไหนเพราะตะก่อนมีโครกกระเดื่องภาษาเราเรียกว่าพวกมองพวกกระเดื่องตาอยู่ตามบ้านตามเมืองไปนี้สําเร็จแล้วยังพวกนี้ใครยังไม่สําเร็จท่างกับสภาบาทข้ไปก็ปกสอนน่าจะเต็มที่แล้ววันนั้นสำเร็จแล้วยังเนี่ยท่นนั้นยังสําเร็จอะไรอยู่กับสาเร็จ มาผลนีพพานนั่นสิอย่าง่ายังเขาสอนเรื่อยติดต่อมาเขาก็รู้เรื่องเองว่าโอ้ท่านเป็นนั้นนั้นแล้วก็พอมองเห็นสำเร็จแล้วยังสาเร็จแล้วท่านก็ผ่านไปท่านก็ไปที่นั้นถ้าว่าไม่สําเร็จแล้วโอ้ท่านจะสอนอนั่นเนี่ยหี่ผมดนี่นี่แล้วพูดเรื่องอะไรถึงไปสัมผัสเรื่องนี้ผมก็ลืมเงื่อนต้นเงื่อนนั้นนี่ไม่ตั้งใจจะมาพูดเรื่องท่านนะแต่มันมีเรื่องสัมผัสเข้ามาก็เลยมาพูดเรื่องเรื่องสติปัญญา อ๋อพูดเรื่องท่าท่าทายให้เขามาดูเขาทําของจริงอเห็นไม่เป็นงั้นเนี่ยทํายังไม่ทําเลนเยอะทํามานี่สําเร็จแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วถ้าใครมาดูทําของจริงอยู่ที่ไหนใครจะไปรู้เกิดมาก็มาเคยทํำของจริงเขาจะทําของจริงมาจากไหมารู้ผู้ปฏิบัติคนนั้นนี้จะรู้ทําของจริงสอนตัวเองให้มันรู้ทําของจริงให้เห็นทําของจริงพี่ทําของจริงอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ทางโน้นทางนี้ที่ไหนนี มันอยู่ที่นี่เป็นหลักใหญ่ทั้งทั้งพันมากอยู่ที่นี่เรื่องภายนอกก็ไม่ปฏิเสธนะเรื่องชาติพิวขาชาติพิวขาให้คนแกลียเก็บตาเห็นไเยี่ยมปา่าชาก็เป็นธรรมมาหนึ่งแต่ธรรมทั้งพั น, นแท้อยู่ที่นี่เวลาจิตส่งออกไปข้างนอกมันไม่ส่งไปเพื่อเพื่ อ, อทําอย่างนั้นมันส่งไปเรื่องความเรื่องเดิมมันถึงเพราะอำนาจของขิ้ตันหาที่ว่าการวัฒนาวัฒนาวิ่ว่วาถานะทังที่กล่าวมาอย่นี่เพราะนั่นเองให้ฉุดลากมันเข้ามาเอี่เองจงมาที่นี่ใมาดูที่นี่ ทำมุกกินที่นี่ท่าไทยตลอดเวลาไม่มีเวลาสงบเลยเราจะดูอันท่าไหนก็ดูอะจะดูสัจจะอะไรก็ดูจะดูทุกขศาสตริย์ก็เห็นแน่ชัดสมูไทยศาสตร์เป็นตัวสําคัญที่ป้อนอาหารให้ทุกกำเลิกขึ้นเลยเลยนัน่นแหะตัวสมูไทยตัวขั้งขวาเละขัานขว า, วขวาหาอาหารคิดเข้ามาเพราะนั้นมากกินต้องตัดข้อมือสมูไท ย, ยด้วยการคิดค้นคิดนิคิดจนา เห็นตามความจัดความกินของกลิ่นต่างๆจิตนน้ก็ปล่อยไปเองวางไปเองปล่อยไปเองนี่เป็นภาพปฏิบัติในภาพปฏิการอย่างนั้นเหี้ยเอฮีปักกิโกโอปันญิโกเราเห็นอะไรๆก็ตามไปยินผ่านทางทาหูทางตาให้น้องเข้ามาเป็นอดเป็นธรรมเห็นเขาหัวเราะเห็นเขาร้องไห้หัวเราะด้วยเหตุผลประคุณกายอันใดด้วยความลึกลงมันถึงเพราะหน้าหัราค่าสัรหาหรือหัวเราะเพราะอะไรเพื่ออะไรอืม มีความโศกเศร้าสียใจร้องห่มร้องไห้เป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์กระตัวิญญาณน้องเข้ามาน้องเข้ามาเห็นคนแก่ก็น้น อ, อมเข้ามาหาตัวเห็นคนตายกบ น, น้องเข้ามาหาตัวเรื่องความทุกข์ที่แสดงขึ้นแต่ผู้ใดก็ตา่างจนถึงกับแสดงอาการออกมาความร้องหม่มร้องไห้นี่ก็เพราะอำนาจของทุกข์ที่มาจากสมุทยัยเนี่ยเราก็น้องเข้ามาให้เห็นโทษของสมุทยตัวสําคัญซึ่งสามารถย่างทุกทีแสดงออกอย่างเปิดเผยโดยไม่มีอั้มอายคนผู้หนึผู้ใดเลย ธรรมดาการน้องไห้เป็นเรื่องที่อายกันแต่เวลามันเป็นขึ้นมาแล้วมันอายไม่ไม่ได้เพราะพลังของยิ่งใหญมันมากกว่าพลังของทุกมากพลังของสมุทรไทยมันมากมันก็ทําให้หัวเลาะได้ว่ามันทําให้ร้องห่มร้องให้ได้ไม่อายใครอ่ะน้องเข้ามาทีนี่ผู้ปฏิบัติต้องเป็นหนึง่งแล้วผู้มาปฏิบัติทั้งหลายตามมาจากสำนักต่างๆก็ให้สําเนียกศึกษาให้ดีถ้ามีให้ดูให้ละเอียดละอ ทุกสิ่งทุกอย่างก้าเข้ามานี้เพื่อมาศึกษาตาให้ศึกษาให้ดูหูให้ศึกษาให้ยินได้ฟังใจให้คิดให้อ่านใจตรองทุกอย่างจนสุดวิสัยเต็มความสามารถของตัวเองน้่นี่ชื่อว่าผู้มาศึกษาไม่ใช่จะมาคอยศึกษาตั้งแต่ขนาดที่ท่านเทศท่านอธิบายทำให้ฟังหรือนโมตัสสาวพระมาโตขึ้นพาสิทแล้วื่อว่าทัานเทศอธิบายให้ฟังนี้จึงว่าเทศสิ่งทั้งหลายที่ ผ่านเข้ามาเพื่อจะเป็นคติแก่เราผู้มีสติปัญญาความสดับอยู่นั้นแหละท่านเรียกว่าธรรมหูเป็นธรรมตาเป็นธรรมหูเป็นมีนตาเป็นมีนายหูมีสติมีปัญญานั้นก็เป็นธรรมเป็นมีนายไปได้แต่หูไม่มีสติปัญญาก็ไม่ผิดอะไรก็หูกระทอหูเหมากระทะไม่เกิดประโยชน์มาอยู่สักเท่าไหร่มากน้อยเพียงไรก็ไม่เกิดประโยชน์ ม, น ม, นอยอยมันไ ม, ไ, มไม่ถูกกับการมาอบรมศึกษาให้มุ่ง มุ่งอย่างนี้อย่าลืมเจตนาของตนที่มาการปฏิบัติญานหนีจากหลักนี้เอามัดมันเข้าไปไล่มันเข้าไปธรรมนากิเลศมันต้องเป็นค้าสืบกับธรรมเสมอไปถ้าเราจะขยับความเพียรเข้ากิเลศจะต้องต่อสู้เราทําให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอดีไม่ดีโนนทั้งทั้งตึกิเลศมันไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานสักทีแหละแต่มันก็ถูกที่มันว่ามรรคผลนิพพานไม่มีเ่ะจะไปทําอะไรมันเสียเวลาเหนื่อยเปล่ามันก็โกหกเราได้สบายเพราะกิเลศมันเคยเห็นนิพพานที่ไหน มันมีแต่กิเลสมันเห็นแต่เรื่องที่เลสพวกกิเลสมันจะไปเห็นนิพพานที่ไหนมันมาโกมันเก่าเรื่องมันมาโกหกเราแล้วก็เชื่อมันขึ้คื่อว่าจะทําความดีแล้วมันต้องมีมารถนับมารมันกิเลสสมานเป็นตัวต้องขันมากยิ่งกว่าขันธรรมะมันถึงมีแง่มีเล่มีเหลี่ยมหลายสันพันคมที่จะหลอกเราให้เชื่อตามมันให้เล่งทําระพุทธเจ้เสมอทําทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี้มี มรติมาปฏิปทาเป็นต้นสแสดงไว้เพื่อมรรคผลนิพพานแสดงไว้เพื่อปราบกิเลส ท, ทำไมจึงต้องปราบกิเลสเพราะกิเลสเป็นตัวมานในการดำเนินมรรคผลนิพพานของผู้หวังความพ้นทุกข์กิเลสเป็นมานเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องปราบอย่าลืมทำพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าความระลึกถึงกิเลสคอยตามกิเลสอือันนี้เป็นสําคัญอยู่มากอะไรก็ตามให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเสมอ นั่งที่พระเจ้าข้สูตรท่านว่าไว้นั้นนั่นโลบภายนอกพวกอิศุนอิศินอลบ ก, กันเราก็เห็นในตำลักตําลา น, นั้นเป็นหนึ่งแล้ว ก, วกระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนให้ระลึกสอนพิกษุสงฆ์ท่านยกข้อเกียบเทียบขึ้นมาพวกอสูนที่โลกกันกับพวกเทวดาแล้วผมก็ลืมๆนั่นแหละเวลาเข้าไปอยู่ในป่าไมา้ท่านบอกอรัญเยรุขโมเรวาสุญยาการวพิโค อนุเรสระัดซ้ำบูธังพยังตุ้มห้ากโนโติยามันบอกเมื่อเวลาท่านอยู่ท่าทั้งหลายไปอยู่ที่ตามป่าตามขาตามเรือนว่างก็หายลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วถ้ า, า, ถาเราลึกถึงพระพุทธเจ้ามาแล้วก็อัฏฐะธรรมเสระยถาดิยาณิกังเสเรศิตังหาว่าเราลึกถึงพระพุทธเจ้าจิตยังไม่สงบลงได้ก็ให้พึงจะลึกถึงพระธรรมหากเราลึกถึงพระธรรมจิตยังสงบไม่ได้อัฏฐสซ้ำคังเส ร, สรายตะปุญญาเกตังโนตระน ให้เราลึกถึงพระสงค์แล้วความผลพองสยองเก้าความกลัวต่างหวาดเสียวต่างๆจะหายไปนี่ท่านบอกอะไรทําให้ความผลพองสยองเก้ามันอะไรทําให้เกิดความผลพองสยองเก้ากไม่ใช่ความผลพองสยองเก่าในทางที่ดีเพราะความกลัวตัวสัน่นกลัวเปรตกลัวผีกลัวทุกอย่างละขึ้นชือ่อว่ามนุษย์ี่มีกิเลสแล้วมันต้งองรอให้กลัวทุกอย่างใบไม้ร่วงมันก็ว่าว่าเสือใบไม้ล่วงมันก็ว่าผี มันว่าเปรตทั้งๆนี้ไม่เคยเห็นเปรต เ, เห็นผีหมันนับปั้นขึ้นมาหลอกกิเลส จ, จริงว่ามันแหลมคมมากนี่แล้วให้เราเลือกถึงพระพุทธเจ้าท่านว่างั้นเลือกถึงพระธรรมมิลประสงค์องค์ใดก็ต่างรัตนะใดก็ต่างเมื่อจิตยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นแล้วจิตจะหวังจะปราศจากความอันหมโ ด, ดยลําดับลํา ด, ดับอันนี้เราเคยเป็นแล้วไม่ใช่นํามาโปะปะนาให้หมเพื่อนฟังเฉย เพราะฉะนั้นมันจึงได้สติจากนี้และลําดับจากนั้นจึงต้องหาอยู่ในต่างดุที่มันกลัวทั้งนั้นแหละดัดถนนดานคนที่ขาดดับถันดานคนไม่เป็นท่าเวลาไปอยู่ในสถานที่กลัวนี่จิตมันตั้งตัวได้ดีแนบอยู่กับพุทโธแนบอยู่กับธรรมบนใดบทหนึ่งสตินี่เรียกว่าติดกับจิตตลอดเวลาทีนี้เมื่อจิตบังคับจิตแล้วกากับจิตตลอดเวลา ด้วยบทธรรมก็ตามไม่ด้วยบทธรรมก็ตามคือตามพั้นของจิตขั้นของจิตที่จะอยู่ในคำบริกรรมเช่นพุโทโธเป็นต้นก็ต้องให้แนบแน่นอยู่กับ น, นั้นไม่ยอมให้จิตปล่อยตัวคิดไปในทางไหนอันจะเป็นเครื่องหลอกลวงยั่วยวนจิตใจให้เกิดความทุกข์ความระบาญขึ้นมาเพราะความกลัวให้จิตแนบอยูนั้นเมื่อแนบเข้านานเข้านานเข้านานเท่น า, นนานมันก็เป็นพลังขึ้นมาภายในจิตจิตก็สงบตัวล ง, งไป เมือกิจสงบตัวลงไปแม้จะเดินจงกรมอยู่ก็าตามไม่ได้หมายถึงสงบตัวจนกระทั่งถึงเดินจงกรมไม่ได้นะมันสงบตัวลงไปแนวอยู่ภายในตัวเองแล้วก็เดินจงกรมได้ที่นี่ความกลัวนั้นหายหมดนี่ได้พยานแล้วนี่ขั้นหนึ่งนะความกลัวหายหมดขั้นที่สองที่เป็นขั้นสําคัญนอกจากความกลัวหายแล้วความกล้าหาญยิ่งเกิดขึ้นมาอีกนะ <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะเสือมาสักกี่ตัวฮะ yeah. ไม่ว่า สิบตัวยี่สิบตัวลราให้ร้อยตัวพันตัวเข้ามาเถอะจะเดินเข้าไ ป, ปลูบคลำหลังมันได้อย่างสบายทีเดียวอ่ชื่อขึ้นที่ว่าสัตว์ตัวไหนตัวที่ว่าถือ ว, ว่าเป็นภายที่สุดมันจะเดินเข้าไ ป, ปลูบคลำหลังได้อย่างสบายไม่ช็ชกสะทานเลยความรู้สึกนั้นว่ามันทําอะไรแต่ไม่ได้แต่ความจริงมันจะทําอะไรก็าตามไม่ทําอะไรได้ก็าตามนะ น, นั่นเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่เป็นความเป็นผลของจิต ที่ปราศจากความกลัวแล้วยังเกิดความฆ่าหารทานชัยขึ้นมาในเวลานั้นด้วยนี่เป็นสักขีพยานมาจากที่ว่าอนุเสสะเรมบุทางไปยัตุมหอกกนติยะกันตุมอนติยาตังแต่อรัญเยรุขโมเรว่าไปอยู่ตามลุกโคลมูลต้นไม้หรือเรือนว่างสุญญากาเดรัจพิโคก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามที่เป็นหลฐานที่น่ากลัวให้พึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์ ทำว่าระลึกไม่ใช่ลึกเฉยๆระลึกเอาจนติดแนบเป็นกับตาอยู่กับพุทธหรือเป็นกับตาอยู่กับธรรมหรือเป็นกับตาอยู่กับสงฆ์ไม่ยอมจิตให้พากจากนี้เลยจิตก็เป็นพลังขึ้นมาพลังขึ้นมาเมื่อเป็นพลังขึ้นมาแล้วความกลัวหายหมดเพราะจิตไม่ได้สาดแสบไปข้างนอกเนื่องจากสติกำกับให้บังคับให้อยู่กับบทธรรมคือพุทธธรทรมโมหรสองโควดาบุญนั้นกนะ็เป็นสร้างพลังขึ้นมาเมื่อจิตมีความสงบตัวอยู่กับนั่นแล้วแม้จะคิดออกไปเรื่องเสือก็หายเงียบให้มีสือเลยหนีก็ไม่กลัว มันมันเปล it ี่ยนในขณะนั้นเลยในขณะที่เราฝึกทรมนมาทั้งทั้งที่มันกลัวจนตัวสั่นนี่ได้ทํามาแล้วเห็นผลมาแล้วอย่างนี้จึงกล้าไปอยู่ตามป่าตามเขาที่กลัวกลัวเท่าไหร่ยิ่งไปพราเราเคยได้กำลังจากสิที่กล่าวนี้เสือเป็นต้นนี่แหละคําว่าลึกถึงพูทโธไม่ใช่เพียงระลึกเพียงงูปลาปลานะลึกอย่างเออลึอย่างถึงใจผู้ปฏิบัติเอาตัว ชีวิตมอบไว้กับพุโทโธเลยเสือจะกินก็กินเธออะไรจะกินกับอันตรายก็เธอมันจะไม่แยกตัวออกจากทำบทใดบทหนึ่งนี้เลยตายก็ตายกับนี้จิตแนว่วมีพลังนี่เป็นขั้นหนึ่งของผู้ฝึกเริ่มเพิ่งหัดอบรมขั้นที่สองเมือ่อจิตเป็นสมาธิแน่หนาของมันก็มีเรื่องความกลัวเหมือนกันแต่จิตตั้งปับกับฐานงความมั่นคงฐานทางสมาธิคือความสงบนั้นไม่ยอมคิดจง จิตใจส่งไปอื่นมันก็อยู่ได้เหมือนกันนี่ก็ดีนี่เป็นขั้นหนึ่งในการพิจารณาที่นี้ขั้นที่สามนะคือขั้นหนึ่งอยู่กับคําบริกรรมขั้นที่สองอยู่กับสมาธิคือฐานในสมาธิคือถ้าลงจิตลงไปสมาธิจริงๆอย่างเต็มตัวแล้วจิตจะไม่ปรุงไม่แต่งแนวไม่ใช้กิริยาถ้าจิตเป็นอ ป, ปนาสมาธิเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอั ป, ปนาภาวนาคือถอยตัวออกมาธรรมดา แต่ความละเอียดของฐานนั้นมีไม่ละตนเองนี่เรียกว่าอปปนาภาวนาก็ไ้หรืออปปนาจิตที่มีฐานเป็นของตัวเรียบร้อยแล้วด้วยความมั่นคงอันนี้ก็เป็นที่พักเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่พึ่งได้ในเวลาที่เราไปอยู่ในสถานที่กัวไม่กลัวจิตอยู่กับนี้เลยนี่ขั้นที่สองขั้นที่สามเราใช้เราออกทางด้านปัญญาและทิน พ่จางณาเรื่องยยปัญญาปัญญายธรรมนาปัญญามต้องค้นฝานี่เมื่อกิดแยบออกไปคิดถึงเรื่องสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นมันจะนำเสือเข Ahmad, ้ามาแยกธาตุกันทันทีเลยกลัวอะไรมันเสือกลัวผมหรือกลัวขนมันหรือกลัวเล็บมันหรือกลัวฟันมันหรือกลัวอะไรมันกลัวหากลัวตัวกลัวอะไรอะไรมันไล่กันไปไล่กันไปย้อนเข้ามาหาเราไล่อะไย้อนเข้ามาหาเราอทั้งหมดกลัวขนมันขนเราก็มีเหม็นกลัว กัวเขี้ยวมันเคี้ยวเราก็มีเหม็นกลัวคลัวตามันตาเราก็มีเหม็นกลัวนะแล้วก็ออกจากนั้นแยกธาตุมันอีกอันเรานี้เป็นธาตุอะไรพิจารณาแยกธาตุออกจนละเอียดละออหนีดตามเรื่องของทางนิพพสนาเวลาเกี่ยวกับสิ่งภายนอกมันก็ต้องเดินทางนั้นเหมือนกันจนกระทั่งไม่มีอะไรเป็นเสอือมีแต่เรื่องธาตุล้วนๆมันแยกชัดนี่อันหนึ่งเป็นขั้นที่สามนะแล้วพูดเพียงแค่นี้พูดย่อๆนะ คือเรื่องอุบายวิธีของปัญญามันเป็นอุบายของแต่ละคนนี่พูดกันไม่ได้เป็นเรื่องของจะของจะแยกพิรุธนะเอาได้เมื่อจิตถึงขั้นนั้นๆแล้วจะต้องนําขั้นนั้นนั้นออกปฏิบตัติต่อสิงมาเกี่ยวข้องเช่นเราไปอยู่ในป่าในะเขาได้ยินเสียงเสือกระหึ่มก็าตามไม่กระหึ่มก็าตามกลัวเสือก็าตามมันจะแยกธาตาุจนกระทั่งเป็นที่เข้าใจและเดินสบายไม่มีอะไรเห็นต่าธาตุในโลกนี้แหนะี่อันหนึ่งข้อม า, าที่สี่ที่นี่นะเมื่อจิต ม, มันมันเข้าถึงความว่างอ่ะนี่นะจิตเวลาพิจารณาเข้าไปนี่มันผ่านรูปภาพนั้นภาพนี้เรานํามาพิจารณาเยมันเป็นภาพของรูปเช่นเสือนี่ก็วาดเป็นตัวเสือมาเลยในมโนภาพของเราก็แยกธาตุเมื่อมันวาดมันวาดภาพเสือมาได้ทั้งตัวแล้วเราก็แยกธาตุมันทั้งภาพเสือนัอ่นแหละจนกระทั่งกระจายไปหมดพอหลังจากนั้นแล้วจิตมีความละเอียดเข้าไปจนกระทั่งกําหนดภาพอะไรไม่ปรากฏ นี่ขั้นปฏิบัติเป็นอย่างนี้กําหนดภูเขาทั้งโลูกมันก็มองเห็นด้วยตาก็เป็นภูเขาจริงแต่ว่าจิตมันทะลุไปหมดคือว่างไปหมดเลยเมื่อกําหนดอะไรขึ้นมาแยบเหมือนกับฝ้าแม่เท่านั้นเป็นภาพถิ่งนั้นขึ้นมาขณะเดียวกับฝ้าแลบแล้วหายเงียบหายเงียบหายเงียบเมื่อเป็นชนีดจะะแยกคาดแยกขันอะไรแล้วมันจะกลัวอะไรพอแยกออกมามันก็รู้แล้ววันนี้ คือภาพซึ่งเกิดขึ้นจากสังขารจากของปรุงหลอกจากของเองพอแยกออกมามันก็เกิดขึ้นจากใจนี้มันทันตันนิสติปัญญามันทันจะเป็นภาพอะไรขึ้นมามันก็ออกมาจากใจภาพหลอกตัวเองหลอกตัวเองภาพดับไปพร้อมดับไปพร้อมก็รู้ว่าตัวนี้เป็นเสือใช่ไหมตัวสังขารท่านี้เป็นเสือหลอกเจ้าของตัวสังขารนี้เป็นหมีตัวสังขารนี้เป็นงูตัวสังขารนี้เป็นเปรตตัวสังขารนี้เป็นผีตัวสังขารนี้เป็นเสือต่างหากชิงเท่านั้นมันเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากอันนี้หลอกเรา มันก็รู้ได้อย่างชัดๆแยบๆยบหายตัวนั่นอันหนึ่งนี่เป็นขั้นหนึ่งเอาที่นี่ขั้นสุดนี่หมายตั้งว่าสุดความสามารถของของผู้แสดงนะขั้นนี้ยังมันยังเป็นขั้นดำเนินขั้นนั้นขั้นสุดกำลังสติปัญญาของผู้ดาเนินของผู้อธิบายอย่างนี้ก็ถูกพอถึงขั้นนั้นแล้วเาพราะยับขนานั้นนะมันรู้ทันทีกับนั่นเลย พับดับพร้อมแม้ไม่ตรุงออกมามันก็รู้อยู่แล้วว่าขันตรุงออกมามันก็เป็นการประกาศว่าขันกระดิบตัวเท่านั้นก็ไม่มีอะไรหมดเท่านั้นไม่มีท้ามีทางอะไรเลยที่จะต้องต่อสู้ต้องพิจารณากันอะไรเลยมันเป็นธรรมชาติมันแยกๆๆเหมือนกับเสียงหิ้งห้อยเท่านั้นเองหนึ่งถึงสามสี่ขั้นนการพิจารณานี่คือตาเป็นไปตามเรื่องของจิต กำลังของจิตภูมิของจิตของธรรมที่มีในจิตเป็นไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่อย่าคาดเป็นอันขาดนะให้จะคลองนําไปพิจารณาส่วนไหนที่ควรคาดเธอเป็นกติเตือนใจได้สอนจากธรรได้ให้คาดแต่ส่วนนั้นคาดแล้วจะเสียจะให้เกิดเป็นความสําคันธ์้ำหนายขึ้นมาโดยถืออันนั้นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นมรรคผลขึ้นมาแล้วอันนั้นผิดอย่าไปยืดให้เป็นเรื่องของตัวเองเกิดขึ้นแล้วมันก็วิ่งรับกันเองครูบาอาจารย์จะเคยสอนไว้กี่ปีกี่เดือน ไม่สำคัญสาคัญที่ความจริงปรากฏขึ้นมาในเราในขั้นในดในภูมิใดและธรรมะที่ท่านเค ย, สยแสดงให้เราฟังแล้วจะมาโผล่ขึ้นมารับกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างหนังสือที่ท่านอยู่ในคำพีก็เหมือนกันในขณะที่เราพปฏิบัติเพื่อความสงบนี้เราจะไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวกับเรื่องปริยัตอะไรทั้งนั้นนอกจากจะพยายามทำจิตของเราให้มีความสงบลงโดยลาดับ ยองท่านก้าวทางด้านปัญญาทีนี้เมื่อก้าปัญญามากน้อยแล้วจะเริ่มหน่ที่นี่พราะเริ่มเห็นเห็นความจริงขึ้นโดยลําดับเมื่อเริ่มเห็นความจริงแล้วมันก็จะวิ่งเข้าสู่ปริยัติท่านหนนะประสานเอามาประสานกันเอามาแยกมาแยกเอามาเทียบมาเคียงยิ่งจิตหมุนตี้ยวก็ไปทไลายแล้วปริยัติกับปฏิบัตินี่แยกกันไม่ออกจะวิ่งประสานกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพอได้ความได้สจกิพยานแล้วปล่อยภาพปล่อยภาพปล่อยภาพปล่อยภาพเรื่อยเลยนี่เราก็เลิกได้ที่ท่าน พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราในแสดงในสอนเราตั้งแต่วันเริ่มแรกที่เราไปนี่ถ้ามหาก็เรียนมามากจนได้เป็นมหาอย่าว่าผมประมาททำอุฒิเจ้านาถันว่าผมไม่ลืมเลยเหมือนกับเทพ อ, อัดไว้เพราะเราไปด้วยความสนใจอย่างยิ่งยิ่งเป็นวันแรกด้วยซ้าซึ่งเป็นวันที่จะจดจ่อมากที่สุดในธรรมของท่านในยัดว่าผมประมาทนาให้ยกบูชาไว้ก่อน เวลานี้ ท, ทําให้ท่านเรียนมามากน้อยนั้นยังไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ท่านนอกจากจะเป็นความกังวลเวลาท่านไปคิดเกี่ยวข้องกับไปญาติข้อนั้นขอนี้เข้ามาเทียบเทียงกันทางด้านปฏิบัติแล้วจะเป็นความกังวลไม่เกิดผลประโยชน์อะไรในขณะ น, นี้เพราะฉะนั้นขอให้ยกบูชาไว้ก่อนให้ท่านเร่งทางด้านจิตใ จ, จท่านเป็นไปเพื่อความสงบจะสงบด้วยทำบุตรใดด้วยวิธีการใดก็ตามเถอะขอให้พยายามทําจิตให้สงบให้เมื่อละก้าวถึงขั้นปัญญาแล้วปริญาติกับปฏิบัติแยกกันไม่ออกนั่นแหละประิญาติจะเกิดประโยชน์ จะเกิดตอนนั้นจะช่วยส่งเสริมได้อย่างเต็มที่ทีเดียวแต่ระยะนี้ยังไม่เกิดประโยชน์อย่านำปักเข้ามายุ่งเจ้าของจะเป็นเรื่องยุ่งเจ้าของเองทำนั้นท่านเป็นธรรมแต่เรายังไม่เป็นธรรมล้วนั้นแหละมันจะเป็นลีนทอดแผลท่านแหลนั้นเป็นเครื่อง ท, ทอดตาคนเอาไปทอดตามันกินจะเท่าไหร่แต่ลีนไม่รู้เรื่องแผลไปทอดตามันก็พันดึงไปทำมีมากแต่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติ เก็เลยกลับกาเอาทำนั้นเข้ามาทําลายตัวเองเสียไปใช่เป็นความสํคาคัญนั้นอะพ่ให้เสียความสํคาคัญผิดในสัจธรรมนั่นก็เสียนี่ได้พูดถึงเรื่องสัจธรรมล้วพูดนอกเหนือไปจากนี้ไม่ได้เพราะความจําเป็นในจริงอยู่ที่สัจธรรมขอให้ตางองคต่างมุ่งลงไปในสัจธรรมนี่เถอะอย่าไปหวังเอาดีเอาชอบเอาสวยเอางามเอาความสุขความจเจริญอะไรกับโลกนั้นเลยเออ แล้วดูวเธอไปอยู่ที่ไหนมีแต่ผาช้าเกินไปหมดผู้ที่ตายก็ตายไปผู้ที่ไม่ตายความทุกข์ความทรมานอบนเพิ่ละเมอกันทั้งคนจนคนมีคนโง่คนฉลาดมนุษย์เหล่านี้เป็นตัวบ่นที่สุด <c oughs> ไม่ได้เลือกชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำอะไรเลยความรู้วิชามากน้อยเพราะเหตุใดเพราะกิเลสมันเหนือความรู้เหล่านี้ที่มีอยู่กับมนุษย์เรามันจึงทําให้มนุษย์ได้เกิดความเดือดร้อนถึงก็ต้องบ่นขึ้นมา เฉลิทุกข์อยู่ภายใจิตใจแล้วยังไม่แล้วยังต้องระบายมาทางคําพูดอีกแทนที่มันจะเบาบางมันก็ไม่ได้เบาบางถ้าไม่แก้ต้นเหตุที่ให้เกิดทุกข์ขึ้นมาคือตัวกิเลสนี่นี่เราตั้งใจเข้ามาตั้งแก้ทุกข์แล้วภายจิตตัวของเราเองเพศก็บอกแล้วว่าเพศนักรบไม่ใช่เพศนักหลบหลบนั่นเสือกนี่ซ่อนที่นั่นซ่อนที่นี่ไม่ได้เรื่องได้ียวนักรบต้องรบเรื่อยไปไม่หลบไม่หลบฉากนอกจากหลบฉากกิเลส แล้วต่อยที่เดียานั้นไอ้หลบลงไปถึงนอนแผ่สองหลังนี่ใช่ไม่ได้เลยเขาต้องเป็นนักสู้่พิจณาให้จริงให้จังทำอะไรให้มีสติให้มีความจดจ่อให้มีความจงใจไม่ว่างานนอกงานในเป็นสิ่งที่ฝึกสติฝึกนิสัยฝึกปัญญาของเราไปในตัวให้พิจณาค่ายควรยาสักแต่ว่าทำถ้าสักแต่ว่าทาแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งนั้นความเพียรก็สักแต่ว่า เดินจงกมก็สัตย์แต่ว่าเดินกิจยาก้าเดินจงกรมเดินจริงแต่ว่าจิตมันละเหียได้ร่อนประทังไหนก็ไม่รู้นั่นตัวจิตตัวผู้จะทําความเปลี่ยนมันไม่ทําเสียแต่ว่าไงนั่งอยู่ก็เหมือนกันนั่งไปนั่งมาก็สัตย์สงกภพงานหลับทั้งนั่งก็มีถ้าไม่หลับก็ลอยไปตามพัญญาอารมณ์ไม่อยู่กับที่แห่งงานที่ให้ทํานั่นแหละนี่ก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ นั่งพะัทยะายตายทิ้งเปล่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์เดินจนกลมจะเอาจนฝ่าเท้าแตกมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันสำคัญอยู่ที่สติควบคุมงานที่ทำํำถ้าในขั้นปัญญาเวลาพิจารณาปัญญาก็สาคัญอยู่ที่สติกับปัญญาประกอบงานนั้นๆให้สืบต่อเนื่องกันอยู่เสมอจนเห็นเหตุเห็นผลไม่ว่าอิยาบุตรใดนั่นคือความเพียรทั้งนั้นนี่แหละความเพียรที่แท้จริงในวงปฏิบัติเป็นอย่างนี้ธรรมเิียาก็สอนอย่างนี้เสมอเท่านไม่ทรงชมเชย ไม่สรงรับรองบุคคลผู้ปฏิบัติแบบรอแล้วต่อความล่มจมให้เิียดเหยียบย่าทํำลายด้วยความคลั่งเผลอด้วยความอ่อนแอทอแท้ต่างๆนั่นไม่มีในหลักธรรมพูทิเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาเพราะความขยันหมั่นเพียรความเอาจริงอําจังเอาจั ง, จงความสามารถฉลาดรู้ทุกอย่างยังไม่มีใครเสมอพระพุทธเจ้าพุททางสนังกระฉามนี้นี่กระเถือนโรกแล้วเป็นคูู้ของเทวดาดมือสงหลายได้แล้ว โลกทั้งสามมีใครเป็นศ า, ดานสดาของโลกมีาาดดไหมแต่พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของโลกทั้งสามนี่การมโรกรูปโรคอรูปโรคแน่แสดงมาตั้งแตศรัทธาเทวมนุษย์ารังสานังเป็นครูทั้งเทวดาแมนุษย์ทั้งหลายแต่เราเป็นครูสอนเราคนเดียวยังไม่ได้ด้วยฟังดูสิมันห่างกันไหมพระพุทธเจา้าไกลกันไหมเรามีคนเดียวเท่านั้นนะ่ะสอนคนเดียวเราคนเดียวก็ไม่ได้มีจิตดวงเดียวนี้สอนจิตดวงเดียวยังไม่ได้ เนี่ยมันหลอกกิดตลอบเวลากิเลสมันอยู่ภายในจิตใจหัวเราะเราเดินจงกลมมันก็หัวเราะนั่งภาวนามันก็หัวเราะพอทําให้มันหัวเราะมันก็หัวเราะเราพี่แต่ทำให้มันร้องไห้มันก็ต้องร้องไห้ทําให้มันเพ่นมันก็ต้องเพ่นทําให้มันตายมันต้องตายกี่เรศอุทังพัตวาสุขังเสติเนี่ยฆ่าความโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุขเนี่ยถต่ว่าฆากิเลสได้แล้วอยู่เป็นสุของนก็อันเดียวก็ดีเลยออความโกรธความความโลภความหลงเป็นกิเลสฆ่าสิ่งเหล่านี้แล้วเป็นสุข ขอ้ข้ามันเลยกฎนี่แปไ ป, ไปอ่าท่านรญายาอธิบายหมด <c oughs> หลักปฏิบัติซึ่งเป็นสิ่งที่มองเห็นด้วยตาอย่างชัดๆผู้ปฏิบัติถ้าหมายถึงถือเป็นกฎเป็นเกณฑ์ให้ดีที่นำมาปฏิบัติอยู่ในวัดนี้ออก็นำมามาจบับ ถ้าจายใหญ่ท่านจานั่นเองไม่ได้นอกเหนืออะไรจากนั้นตุกข์หักจิตใจให้จริงจังอย่าทะเลทลายเป็นพระหลักลอยไม่มีความจริงใจอยู่ภายในใจความจริงใจนั้นแหละมันเป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่จะทำ ให้การ ป, รปฏิบัตินีหลักมีเกณฑ์ขึ้นมาได้ทางด้านจิตใจคุณชัยรัตน์ก็พยายามตั้งตัวให้ดีนะนี่จิตใจเลื่อนลอยดูอาการไปมานี้รู้สึกว่าเลื่อนลอยแล้วแต่เดี๋ยวไป น, ะนั่นท่านแหนย่โผล่มาที่นี่เดี๋ยวนนะเดี๋ยวโผล่ไปที่นู่นไปอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยแต่ไม่ใช่หาประกอบความพภาคยนันต์ทีเ่เป็นหลําเป็นสังเป็นหลักเป็นเกณฑ์ ไอวุ่นมาที่ไรมาวุ่นกับบ้านแต่ญาติแต่วงไม่ดีควรบ้านควรควรญาติควรควงไม่ดีอามันเด็กมันจริงมันจังมันยุ่งกับขันนี่เราได้ยินขา่าวกัเหมือนเดี๋ยวมานั้นเรื่อมานี่เรื่หรือไปนู่นหรือไปนีปน่เอ๊ะยังไงกันเนี่ยทำให้เอกใจเหมือนกันตั้งใจออกมาบวชเพื่อปฏิบัติจริงๆทำไมมันถึงเป็น ประกอบความเพียนเหล่านั้นมันก็ดีเหมาะสมอยู่แล้วครจะอยู่ได้สะดวกสบายเห้ได้จึงต้องเฉลีถลายอยู่ไม่อยู่ก็แสดงว่ามีอันหนึ่งอยู่ภายในใ จ, ใจิตใจมันอยู่ไม่ได้ทำไมจะ ไ, ไปทำไมพ่อแก้รําคาแล้วนั่นมันความเพิ่มตัวขึ้นเพื่อให้มีความรังคาเรื่อยๆได้แก้เรื่อยๆได้เพิ่มเรื่อยๆมันมีอยู่ในใจมันไม่ใช่แก้รําคานั้นมันเป็นการส่งเสริมอันหนึ่งกำลัมาไปทางโน้น มันก็กลับมามาทางบ้านมันน้องไผ่กันตึ้งหวดกลับนี่กลับไปน้นอง่างนั่นออกจากวันนี้ก็ไปโน่นโนนก็มาตันหัวดันโน่นมาอีกตันนี่อย่างนั้นหลักใจไม่ไม่ดีที่นมันเหมาะสม คำว่าเหมาะสมนี่หมายถึงไม่มีคนรบ ก, กวนวุ่นวายสถานที่ประกอบความพระเครื่องถนัดพิเศษดีนั่นเหมาะสมน้ำท่าก็มีส่วนอาหารการขบฉันนั้นเรามอบให้กับชาวบ้านเราเป็นพระผู้มุ่งตอมรรคผลนิพพานอยู่แล้วต้องทำตัวเหมือนเป็นภา้าขี่เหลวอาหารชาวบ้านเขากินได้ทำไมเรากินไม่ได้เราก็คนคนหนึ่งนัพระพธิจ้าสเสด็จออกสมพรนวน เป็นทั้งๆ ท, ที่เป็นกษัตริย์เหมาะสนขณในระยะนั้นไม่มีศาสนาใครจะทราบว่าการให้ทานเป็นผลดีอย่างไรงไปไายใครจะตั้งหน้าต่างๆให้ทานตอะองค์เพื่อจเได้เสวยพระกิเลสอาหารอันเหมาะสมกับพระธาตุแลพระไทยไม่มีก็เป็นประเภทลดตัวลงมาถึงขั้นคนขอทานเราดีๆนี่จากความเป็นกษัตริย์ลงมา เขาจะได้ขอู้อยู่ผู้ดีมาให้ทานที่ไหนนั่นแหละคือจอมศาสดราของเราที่จะมาเป็นคติแก่เราในการประพฤติปฏิบัติไม่เห็นแก่ลิ้นแก่ปากแก่ท้องลิ้นอย่าให้มันเหนือ้อรำปากท้องอย่าให้เหนือ้อรมอย่าให้มันแซงทมไปได้นี่คือผู้ปฏิบัติชาวบ้านเขาเกิดมาเขาก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันจะอยู่ที่ไหนๆเกิดมาโดยสมบูรณ์แบบแห่งความเป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์เหมือนกันการรับทาน การกบการฐานการรับทานมันเหมือนเหมือนกันนี่ะเป็นอาหารที่สำเร็จประโยชน์แล้วถ้าไม่ขัดกับหลักธรรมหลักวินยัยแล้วไม่ขัดกับโรคภัยไข้เจ็บทั้งปนแล้วมันก็ควรจะรับได้พิจารณาลงไปได้จริงแบบนี้เขาอยัางรับได้แล้วทำไมรับไม่ได้ความขาดตกบกพร่องบ้า ง, างนั่นหละเหมาะสำหรับกรรมฐาน มันพอกพูนช่วงบูนอยู่ตลอดเวลาทุ่มปากท่วมท้องไม่ดีแย่งว่าต่อวันต่างนี่ทผันทัางหลายที่ไม่เคยได้ฝึกฝนทรมานตนในอดีตอัตคัดขับสนความจําเป็นยังไงไงแล้วคุณค่าขอางการฝึกผลทรมานด้วยวิธีนั้นมีผลอย่างไรบ้างนี่ยังไมไ่เคยผ่านมาก็ไม่เห็นตั้งแต่สถานที่นี่นี่แล้วเหนือ้ เ, อ เ, อเฟือแล้วอย่าขนาดอย่างวันป่อวันต่างพอเราเทียบทางด้านปฏิบัติมาแล้ว ที่เคยปฏิบัติมาแล้วเหลือเฟือถึงไม่มีคนมาอาหารก็เหลือเฟืออยู่ได้เราพอยังชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่งวันเท่านั้นแต่ความมุ่งมั่นรวมอยู่ในธรรมหมดไม่ได้มาสนใจกับเรื่องอาหารการมืองพวกแม้แต่ได้ข้าวเปล่ามาก็กินอย่างสบายกินข้าว่เปล่าฉันเข้าว่เปล่ากับฉันกลับ แล้ทันกลับมากๆเป็นยังไงไอ้ลิ้นมันต้องการทำไมจะไม่ต้องการเพราะมีตัวกิเลสแทรกอยู่กับลิ้นลิ้นนั้นเป็นแต่เพียงไม่เห็นตัวมันมันแสดงว่าทางลิ้นก็รู้ว่าตัวกิเลสเป็นยังไงมันต้องการแต่ทําไม่เป็นอย่างนั้นทำมกักจะอุจาขาดแคลนเสมอยกตัวอย่างเช่นเวลาเราทันต่างหันไม่มีข้าว คือไม่มีกราบนะท่านได้เข้าเปล่าๆนี้ผมนี่มันไม่ทราบว่ามันกี่สิบกี่ร้อยกี่หนข้างแล้วไม่ไม่นับมันพัฒ น, นามันเลยนี่นี่ก็เพียงที่ปฏิวัติกับพ่อแม่ครูอาะจารย์เราละอย่าไปเทียบท่านเปน็นอังคารเราเทียบแต่สิ่งที่เราพอเห็นมานิดนหน่อยนะแต่สำหรับท่านท่านมั่นอย่าไปเทียบท่านเรื่องแบบนี้ไม่มีใครที่จะทุกข์ลาบากยากที่กว่าท่านเพาะม่อยากากัดเกนท่านเคยเล่าให้ฟังแล้ว เพราะท่านเป็นผู้บบุกเบิกที่แรกเรื่องกรรมฐานหนึ่งเราก็ไปปฏิบัติเพราะวันไหนฉันถ้าเข้าเปล่านัาง่งเพราะวนากลางวันก็ไม่โงกไม่หวัวตัวตรงแนวนี่วเหมือนหัวต่อไม่เอ็งไม่เอียงมันสับ ป, ประงกงกังก น, นแต่จิตแนว่วเดินจงกรมก็ตัวปลิวไปอ๋อมันดีอย่างนี้มันรู้ชะัา ท่านอยู่ในขั้นจิตสงบแล้วเอาสงบได้อย่างสบายเท่าไหร่ขั้นปัญญามันก็คล่องตัวทัง้งหมเราจึงไม่เป็นกังวลเพราะความมุ่งมุ่งทำทําดีในใจมากน้อยเพียงไรเป็นสิ่งที่เราพึงหวังอยู่แล้วก็ยิ่งมีความอบอิ่มยิ่งมีความพอใจอย่างนั้นหมุนติ้วติ้วไปทํานั้นอาหารการข่อการชันนันเป็นเรื่องโลกนิจจ์อนะาศัยชาวบ้านเขา เขให่อย่างนันกินไปตามเรื่องบางทีเขาปลาหอดใส่บาตให้กับพอไปถึงถ้าปลาเป็นปลาบิดแล้วไม่มีญาติโยมทุกค น, นก็ต้องเดวออกไม่กินไม่ได้กินนะนี่ภาษาทางภาคนี้เขาอยากมังแกวมาไฟมังแนวหนีหน้าสลาร์เขาเอามาให้กินไปกินได้ยังไงอมๆแล้วบัดายทิ้งพอ่อในกระปิยะ มันไฟก็อมๆบ้างรับลูกสองลูบ้างแล้วก็เลยทิ้งพอลำคานเลนะอมเดียวมันจะลงคอไปไม่ได้กับพิยะก่อนในป่ามันมีจิตสําคัญนะแต่นี่แล้วไม่หมายถึงว่ามันจะออยากขาแคนตลอดไปบางทีมันก็มีมากเหมือนกันอยู่ในป่าเลยอะไรมาแล้วกิน กินเห็นบางวันมันก็มีมากแต่วันเช่นนั้นเกี่ยวกับเรื่องภาวนาแล้วมันไม่เป็นท่าก็รู้มันเพราะเราดูใจเ ร, เราต่อเวลาไปเห็นนี้จึงไม่ให้ท้อไม่ให้หลีนมันเหนือธรรมแสงธรรมให้ทำออกหน้าเสมออะไรสะดวกต่อทำนั่นแหละให้พยายามตามนั้นอะไรขัดต่อธรรมให้พยายามหักห้าม อย่าเข้ามาอย่านำเข้ามาขัดขวางทำทำจะไม่เจริญภายในใจไม่มีอะไรที่จะรักขังหวนยิ่งกว่าธรรมสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปกินเมื่อไหร่ก็ไดอยากอะไ ร, ะไรเวลานี้เราจะมาสังสมอบรมธรรมให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นไป จ, จิตใจเพื่อความแน่ใจเพื่อความอบอุ่นเพื่อความเป็นหลักเป็นเกณฑ์ตลอดถึงเพื่อความพ้นทุกข์ภายใ น, ใ น, ในใ จ, จิตใจของเราด้วยธรรมไม่ใช่ด้วยอาหาร การควบการใช้จัจ่นจัตุปัจจัยทายฐานทั้งสี่นั้นเป็นสินภายนอกอาศัยกันไปช่วการช่วเวลาเท่านั้นเราคิดไว้เสมอผู้ปฏิบัติต้องคิดอย่างนั้นมีที่ไหนคนไม่รบกวนนั่นแหละยิ่งัหงยงักเท่าไหร่มันก็ยิ่งจิตมันยิ่งเห็นตัวเด่นเด่นเด่นเด่น เ, เหมือนกับว่าเสียง เสียงแห่งความสงัดนี่เหมือนกับมันมีเสียงเหมือนกันนะคือไม่มีเสียงใดปรากฏเงียบวซะจริงๆภายนอกมันก็เงียบแล้วภายในจิตก็เงียบของตัวเองไม่มีอารมณ์อะไรกวนใจเลยจริงเหมือนเหมือนกับว่าเป็นเสียงสะท้านอยู่ด้วยความเงียบอีกหลอะ <c oughs> คือมันเด่นความรู้มันเด่นเหมือนกับว่าครอบโลกธานจริงเป็นเหมือนกับว่าเสียงกังวานอยู่ด้วยความเด่น <c oughs> ความเด่นนี้เหมือนกับส่งเสียงกังวันอยู่ครอบโลกทาต เราอยากจะพูดอย่างนั้นแต่มันก็ ม, มีเสียงอะหากจะพูดอย่างนั้นคือมันความรู้นมันเด่นยิ่งพิจารณาไปจิตมีความที่จะเป็นสิ่งที่อศัศจรรย์เป็นสิ่งที่ให้ความสุขเป็นที่อบอุ่นใจนอกจากความที่เด่นเด่นอยู่ในหัวใจนี้เท่านั้นรวมตัวตรงนี้หมดเวลามันเต็มที่มันแล้วก็เหมือนโลกไม่มีหายหนักหมด เดี๋ยวจะสักแต่ว <blunt animation> ่ารู้ที่เป็นของอัศจรรย์อยู่เท่านั้นรู้อันนั้นเป็นเรื่องรู้อัศจรรย์มากทีเดียวไม่ปรากฏเหมือนโลกนี้ทั้งโลกนี้ไม่มีเลยเพราะอะไรจึงไม่มีเพราะความรู้นี้ไม่ไปพาดพิงกับสิ่งใดพอจะเป็นเรื่องขึ้นมาว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีเนื่องจากอาการของจิตเท่านั้นไปก่อเรื่องขึ้นมาทั้งๆที่สิ่งนั้นเขาก็มีอยู่เป็นอยู่ตามสภาพของเขาแต่เขาไม่มายุ่งกับเราความรู้ของเรา จิตนี่แหละกระแสะของจิตหักไปคิดไปพาดพิงแล้วไปปรุงระแต่งว่านั้นมีอันนี้มีอันนั้นดีงั้นอันนี้ชัว่วอย่างนี้ไป เ, เฉยๆพอตัวนั้นย้อนเข้ามาสู่องค์แห่งความรู้จริงๆแล้วไม่ไม่มีกระแสะถึงไม่ไม่มีอาการออกไปสู่ภายนอกแล้วมันก็เหมือนว่าโลกนี่ไม่มีเมื่อสุดท้ายก็คือมันไม่มีในจิตนั่นเองโลกถึงไม่มี ถ้าจิตมีนั้นเป็นทัญอารมณ์กับสิ่งใดสิ่งนั้นก็มีม kind of right, ีอยู <ceux he S 1> ่ในจิตอีกสิ่งนั้นนั้นธรรมดาก็มีอยู่ตามสภาพมันของโน้นแต่มันมามีในจิตเพราะอารมณ์ของจิตเองจิตไลยเป็นอารมณ์นําอารมณ์มันเข้ามาสู่จิตก็เหมือนกับมีอย่างนั้นนั้นเราดูที่ปกตินี่จิตเราอยู่เฉยเมื่อไหร่มันไม่ได้จยเฉยนะมันอยู่กับเรื่องนะอะรู้อยู่เฉยเป็นอันเดียวนี่มีเมื่อไหร่อยู่กับเรื่องนั้นอยู่กับเรื่องนี้ ขันอันนี้แหละมันปรุงชังขันขังเนี่ยสัญญาขันนี่สําคัญมากทีเดียวมันปรุงมันแต่งให้อยู่กับเรื่องกับอราวเหล่านั้นอยู่กับมโนภาพเหมือนกับเด็กอยู่กับตุ๊กตาถ้าไม่มีเครื่องเล่นมันอยู่ไม่ได้มันต้องอยู่กับตุ pues ๊กตาเด็กเครื่องเล่นของเด็กเด็กถึงจะอยู่นี่กินเรามันก็อยู่กับเรื่องราวเหล่านี้นี่เราพลิกนั้นถ้าอยู่กับเรื่องก็ให้เรื่องทํา น, นัเวลาอาการของนะาหรืออาการของจิตแสดงออกเพื่อทํางานโดยการคิดอ่านไต่ตรองอะไราๆนี้ให้เป็นเรื่องมันนี้เรียกว่าเรื่องเรื่องธรรมนอกจากนั้นเข้าสู่ความสงบตัวเองก็ไม่มีอะไรแม้จะไม่สงบจนปล่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็มีอยู่จพาะตัวคือไม่ส่งประยุ่งรู้อยู่ในวงขั น, นี้รู้ตัวอยู่ในวงขันนี้ก็ยังดี ไม่เกิดเรื่องฉังขานขันนั่นแหละตัวก่อเรื่องสัญญาขัานละเอียดมากเราพี่จึรน่าให้ละเอียดถึงจะทราบว่าอะสัญญาขัานนี่ละเอียดมา ก, ญญาามากที่สุดมันมันซึมอย่างโดยอจะไม่รู้สึกฉังขานขันนี่มันยังมีแยกให้รู้ด้วยแต่สัญญาขัานนี่ไม่แยกเลยค่อยซึมออกไปให้รู้ค่อยซึมออกจากินนี่ นี่ถ้าสติปัญญาพอมันละเอียดขนาดไหนมันก็ทนสติปัญญานี้ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงเหนือกิเลสทุกประเภทแล้วห้ามหันกระตรงให้ราบได้ทีเดียวไม่ต้องสงสัยเรียนจิตนี่ต้องขัดปฏิบัติตั ว, ต ว, ตวเองงานนี้เป็นงานใหญ่โตมากระดับผูบ้ที่จะยื้อถอนออกจากตนออกจากทุกยิ่ง ไม่ต้องเสียดายอะไรงานใดทั้งนั้นไม่เสียดายอะไรในโลกนี้อะไรเข้ามาผ่านถึงจะเป็นความอยากความต้องการต้องฝืนฟาดฟันกันหั่นแหลกกันไปเลยเราจะคล้อยตามไม่ได้พอคล้อยตามก็เป็นการส่งเสริมที่เด็ดให้มีกำลังขึ้นทันทีเดียว้วยเหตุ น, นี้จึงต้องหักห้ามต้านทานฟาดฟันกันลงด้วยสติปัญญานั่นแหละ เป็นทางแห่งความปลอดภัยด้วยเป็นทางแห่งการถอนแก้กิเลสด้วยนนมันลําบากก็คือขั้นยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์นี่ยความสงบของจิตพื้นฐานข่งความสงบของจิตพราะที่เป็นที่อยู่ให้สะดวกสบายเป็นที่อบ อ, อุ่นมันไม่มีถ้าว่าทําการค้าเ้าเรียกว่าเอากํำปั้นค้าด้วยกํำปั้นนนเอมันไม่มีต้นทุนอันนี้ลําบากลําบากก็ทนใครๆไม่ได้ หากมรรคผลนิพพานมาตั้งแต่วันแรกเกิด ม, มีกิเลสเต็มตัวมาด้วยกันแต่เมื่ออาศัยความพยายามแล้วผลก็ปรากฏ ข, ขึ้นมาเรื่อยๆจากงานของเราเราทํางานอะไรผลก็ปรากฏขึ้นมานี่ทางานทางด้านจิจพอนาผลก็ค่ปรากฏ ข, ข, ขึ้นมาสําคัญที่ความเอาใจเอาใจความอดความทนความขยันหมั่นเพียรหาอุบาทพิกแาลงจิตใจที่เป็นด้วยกิเลสอยู่เสมอเรื่องของ กิเลสนั้นอ่ะมันถือจิตนั่นเป็นเหมือนลูกฟุตบอลนั่นแหละอ่ามีทีมันเตะตลเวลาเพราะฉะนั้นจิตจิ้งจิ้งไปจิ้งมาจิ้งไปอารมณ์นั้นปิ้งมาอารมณ์นี้ต่างชาติจิตปัญญาหักห้า ง, งกันฟาดฟันกันทุกข์ก็ลําบากก็ทนเอาใช้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันครูบาอาจารย์ทั้งหลายนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสามโลกเราก็ถ้าประวัติของท่านนํามาสอนตนนี่ เราจะฟังเฉยๆอ่านเฉยๆทาไมเกิดประโยชน์อะไรอ่านเฉยๆไม่เกิดประโยชน์เราต้องนําเข้ามากรองมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์พระพุทธเจ้าทรงสรุปถึงสามโหน้นฟังไปถ้าว่าไม่ฟื้นก็เรียกว่าตายไปเลยทําไมต้นเหตุคืออะไรก็คือความเพียรเป็นต้นเหตุความเพียรหักโหนก็ต้องถึงขั้นจะหลอก ไม่ทุกถึงขาสลบจะสลบได้หรือคนเราพระสาวกก็เหมือนกันบางองค์ก็หา ง, ง่ายแต่เวลาท่านลําบากเราไม่ได้คิดถึงท่านเรื่อ ง, งอดีต ท, ทุกท่านมีด้วยกันทุกองค์นั่นแหละชาติปัจจุบันท่านสะดวกชาติอดีตท่านก็ต้องสมุดสมบัตมาแทบล้มแทบตายบางองค์ก็ในปัจจุบันพอลําบากเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกพระองค์ก็จักสุแตก นี่ไม่ถ้า ใ, ใช้ความเพียรจะอด้เห็นจรงพระจักสุบาลท่านจักสุบาลท่านไม่นอนกับความเพียรเองในขณะที่ไม่นอนดังมาแล้วยังต้องประกอบความเพียรอีกเพราะที่ไม่นอนไม่นอนเพื่อจะทําความเพียรจนจักสุแต่พอจักสุบอดปับ๊บตาในก็สว่างจ้าเนี่ยท่านทุกข์ไหมเราพิจารณาดิเราต้องหาสิ่งเด็ดๆอย่างนี้เข้ามาดักกิเลสของเรา เมื่อพิเลตเรามันผ่าผวนก็ต้องหาทําอันเด็ดเด็ดเข้ามาดักไม่งั้นไม่ทันกันต้องหาอุบายพลิกแปลงแปลงอยู่เสมอพิเลตกับปัญญานี่ยพอฟัดพอเหวี่ยงกันปล่อยตามพิเรตแล้วเอาเธ อ, อยู่ไหนก็ได้ไม่ได้เรื่องนพราะนั้แต่จะเรื่องของพิเลตหาพิเรตนั่งหาพิเรตนอนหาพิเรตมันทับหัวอยู่ตลอดเวลามีขั้นเริ่มแรก ต้องเอาให้หนักบ้างเป็นธรรมนาญนี่พอจิตมีรากมีฐานเป็นความมั่นคงขึ้นภายในจิตใจของตัวเองหรือว่ามีฐานแห่งความสงบให้เห็นชัดเจนภายในจิตแล้วนั่นคันนั้นค่อยสบายจิตใจก็ไม่พุ่งสร้างวุ่นวายก่อขวัตัวเองเพราะอารมณ์ต่างๆมากนักค่อยเบาลงเบาลงนั่นเห็นความสุขจากการปฏิบัติอ๋อการปฏิบัติได้ผลอย่างนี้ก็รู้แหละทีนี้เมื่อจิตไม่วุ่นแล้ว ก็มีแต่งงานเราที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆหนักหน้าขึ้นไปเรื่อยๆจิตก็เป็นนับวันสร้างฐานแห่งความสงบมั่นคงแน่นหนามั่นคงขึ้นเรืเ่อยๆเรื่อยๆอันนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาตามการห่วนเพราะสมาธิทุกขั้นเป็นบัตรของอิปัสสนาทุกขั้นได้ทุกขั้นพิาจาราหาอุบายคิดแพงเปลี่ยนแปลงคิดนี่ท่านเรียกว่าปัญญา เกิดขึ้นจากสังขารเหมือนกันนั่นแหละสังขารประเภทหนึ่งเป็นสังขารที่ี่เลสผลักดันออกมาเรียกว่าสมุทัยสังขารประเภทหนึ่งเพราะทําเป็นเครื่องผักดันออกมาเป็นสติเป็นปัญญาสังขารปรุงขึ้นมาก็ปรุงขึ้นมาเพื่อสติปัญญาจะได้ยึดถือเอาประโยชน์จะตีคลายตามสิ่งที่สังขารปรุงขึ้นมามนก็เป็นธรรมขึ้นมาเกิดขึ้นมาจากใจดงเดียวนั่นแหละ พระัคำษาพยายามยาลดละความภาคเพียงจะเห็นอะไรดียิ่งกว่างานที่กําลังทําอย่างนี้อย่าเห็นผลอะไรดีเยี่ยมยิ่งกว่าผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติจิตตะภาวนาของเรานี้นี่เป็นผลที่เลิศประเสริฐพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐเพราะผลอันนี้เพราะความเพียรท่านประเสริฐพระสาวกอรหรันอรหันทั้งหลายท่านประเสริฐเพราะทําดวงนี้เป็นผลด้วย เกิดซึ่งเนื่องมาจากเหตุที่ท่านพยายามเต็มประิทธิกำลัความสามารถเราอยากลดละความทักเกียรติมาใหม่ก็ให้ดูกันให้คนเบาหูเร็วเกี่ยวกับเรื่องอัดเรื่องทำแต่จะไปรวดเร็วก็่ปกับโลกยิ่งกว่ามังกี้ยิ่งกว่าลิงนะไม่ได้นะฮะเรื่องอัดเรื่องทำฟังให้ดีทีนี้พิจารณาให้เข้าอกเข้าใจ อย่ามาสนใจกับเรื่องความดุดด่าว่ากล่าวของผมว่าเป็นคําดุอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดผมไม่เคยเป็นความดุภายในจิตใจต่อท่านทหลายนอกจากพูดออกมาโดยเหตุด้ยผลหนักเบามากน้อยตามเหตุการณ์เท่านั้นอู้กลัวไม่มีเหตุดีผลผมก็ไม่ชมเชยกล้าแบบหน้าด้านก็ไม่ชมเชย รัวแบบตัวสัน่นไปไม่มีเหตุนิผลก็ไม่มีทางชมเจออยเช่นเดียวกันเราต้องการเหตุผลรัวด้วยเหตุด้วยผลกล้าด้วยเหตุด้วยผลเพราะนั้นเป็นธรรมชื่อว่าผู้นั้นเดินตามธรรมปฏิบัติตามธรรมยึดธรรมเป็นหลักใจกล้าก็กล้าไปตามนั้นรัวก็รัวไปตามนั้นถูกต้องเนี่ยประการสุดท้ายหนึ่งอาหารพระมามากให้ต่างองค์ต่าง เวลานําอาหาร อ, อุกไปจากนี้ถ้าจะไปเที่ยวดูบาดเท่ากันก็ได้บาดไหนบกพร่องให้ตกต่เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพมการแจกอาหารผมเคยพูดเสมอพูดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่แต่แตแตแตแตเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนมาเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นอย่าว่ามาพูดเวลาสร้างวัดป่าบรรษัทนี้เลยที่อื่นที่ไหนก็พูดอย่างนั้นปฏิบัติมาอย่างนั้นลิ้นปากเป็นของเสมอฝั่งมีความจําเป็นเท่ากันตั้งแต่เนนองค์สุดท้ายขึ้นมาถึงพระเีแล้ สิ่งเหล่านี้มีความจําเป็นเท่าเทียมกันจะถือว่าผู้ใดสูงต่ำกว่าไม่ได้เราคิดเห็นเหตุผลอย่าง น, นี้เพราะฉะนั้นการเวลาแจกประหารจึงต้องให้สม่ําเสมอแจกมาตั้งแต่ทางนู้มาถึงทางนี้แจกทางนี้ไปถึงทางโน้นแจกประสานกันนอกจากนั้นแล้วยังต้องให้ดูบาดบาดไหนบกพร่องให้เพิ่มเว้นแต่เจ้าตัวไม่เอานั้นเป็นอีกอย่างถ้าเป็นโดยลําพังของผู้แจกผู้แจกต้องรอบครอบรอบครอบทุกคนยาสักแต่ว่าแจก ดูบาทด้วยแล้วอาหารท่านเคยวางยังไงมียังไงเทตุนสี่ตุนห้าก็ไม่ใช่ปัญญาท่านเคยวางอาหารไว้ยังไงวางขาวว้าวไว้เช่นไรอ่ะบาทลูกนั่นลูกนั้นท่านเคยวางค้าวไว้ยังไงวางหวานไว้ยังไงดูอันนั้นเป็นแบบฉบับหรือพูดเป็นครั้งแรกพูนอันนั้นวางลงไปยังไงพู้ที่สองก็ดูตามนัง้งจึงชื่อว่ามีใช้สติใช้ปัญญาไม่ศักแต่ว่า เทปุวเทปุวเทปุวเทปุวไปนั้นใช้ไม่ได้เลยทั้งขาดสติปัญญาทั้งขาดความเคารพนอกจะขาดความรบอบครอบแล้วยังขาดความเคารพต่อกันอีกไม่ดีความเสมอภาคความสม่ําเสมอด้วยกันทุกองเกี่ยวกับเรื่องการคภคการฉันการใช้สอยต่างๆในจตุปัจจัยทยฐานที่ได้มา นั่นแหละคือความเป็นธรรมสม่ำเสมอใครไม่มีอะไรเอาอาหารการขบฉันแจกแจกให้ดีดูให้ละเอียดลเรอยาศักดิรร์เทวเจกให้ทุกคนคิดด้วยใช้ความคิดด้วยกันผู้คิดคิดผู้ไม่คิดมี อ, มอยู่เยอะองีสิผู้ไม่คิดนั่นแหละมันทําให้บกพร่องทําให้ไม่สม่ำเสมอทําให้เสียได้คือความไม่คิดความคิดทุกอย่างดี อ่าธรรมาอธิบายด้านขวา